เอาวันนี้เรามานึกพุทธโธกันทับุฟังมาเจริญพุทธานุสติท่านกำลังรับฟังรายการธรรมะรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาทำจิตให้มีความสงบกันสักครู่หนึ่งก่อนที่จะไปฟังหัวข้อแม่บทธรรมะวันนี้จะยกเรื่องของภัยในอนาคตห้าประการ ตอนนี้เรามาเจริญพุทธานุสติกันคือการตามระลึกถึงร พ, พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหน้าตาท่านเป็นยังไงพระพุทธรูปแต่ละองค์แต่ละปางแต่ละวัดแต่ละที่ก่อนไม่เหมือนกันหรือเสียงของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่เคยได้ยินจะนึกถึงท่านนี่จะทํำยังไงไม่เหมือนกันนึกถึงพ่อแม่นะบางทีเราก็ยังจําหน้าท่านได้แต่นึกถึงพระพุทธเจ้าหน้าเราไม่เคยเห็นจะทํำยังไง ก็ให้นึกถึงคุณความดีนึกถึงความดีของท่านนั่นเองความดีของพระพุทธเจ้าเนี่ยเยอะไม่ว่าจะความมีกรุณามีปัญญาเป็นอรหรันมีความสามารถจำแนกแจกธรรมให้คุณต่างๆเหล่านั้นทั้งหมดมารวมอยู่ในคุณข้อพุทโธแล้วเอาคุณข้อพุทโธของท่านมาตั้งไว้ ปฏิสถานไว้ท่ามกลางอกในจิตใจของเราเราจะเอาคุณในข้อพุโทโธมาตั้งไว้ในใจของเราได้อย่างไรเอาก็เริ่มจากชื่อนี้สักก่อนให้นึกถึงชื่อนี้สก่อนนึกถึงคำว่าพุโทโธพุโทโธไว้ในใจเหมือนเด็กเวลาที่เขาจะฝึกพูดคำเนี้ยเรียกว่าข้าวเนี่คำนี้เรียกว่าพ่อนี่เรียกว่าแม่นี่ย ก็ยังไม่เข้าใจความหมายหรอกแต่ว่าก็ให้รู้ถึงคำพูดก่อนออกเสียงกับนเป็นยังไงพุโทโธ ค, คือความรู้ความตื่นความเบิกบานโอ้โหมันพ้นถึงขั้นเป็นพระอรหันตุน่ะให้มีปัญญาขนาดนั้นเราตอนนี้ก็ยังไม่มีปัญญาขนาดนั้นเอาอย่างน้อยเราให้มันไปถูกทางกันก่อนแล้วกันให้รู้ชื่อรู้แท่ก่อนเดี๋ยวจะไปตามหาคนสักคนหนึ่งไม่รู้จักหน้าเขาแต่ยังน้อยต้องรู้ที่อยู่เขา ต้องรู้ชื่อเขาเหมือนกันเราจะทำพุโทโธให้เกิดขึ้นในจิตใจเราก็ต้องรู้ว่ามันต้องเกิดขึ้นที่ไหนต้องเกิดขึ้นในใจใช่ปะเราต้องรู้ว่าเขาชื่ออะไรชื่อพุโทโธไงคุณจะทำนี้เอาพุโทโธมาตั้งไว้ในใจเริ่มต้นโดยการมานึกถึงคำว่าพุโทโธไม่ต้องบังคับความคิดว่ า, อาพอชั่นคิดคำว่าพุโทโธแล้วความคิดอื่นอย่ามาหรือเสียงต้องอยากเกิดขึ้น คนข้างบ้านต้องอย่าทําอะไรรถขยะต้องอย่ามาเก็บคือเราไปบังคับห้ามปราบสิ่งเหล่านั้นไม่ได้หรอกมันจะเกิดมันก็เกิดความคิดมันจะมีมันก็มาเราไม่ต้องไปบังคับความคิดไม่ต้องไปบังคับจิตให้คิดหรือไม่คิดแต่ให้นึกถึงพุทโธไวถ้ามีความคิดต่างๆผ่านมาผ่านมาก็ผ่านไปดีผ่านมาก็ไม่สน แตสนอยู่กับพุทธโธ ท, ทำปฏิบัติเหมือ น, นกับยามเฝ้าประตูชมบุฟังมียามก็เฝ้าประตูอยู่เนี่ยเขาไม่ได้ตามคนเข้าไม่ได้ตามคนออกเขาก็ดูเฉยเฉยดูเฉยเไม่ได้ตามไปเหมือนกันว่าเรามาดูอยู่กับพุทธโธจิตของเราเนี่ยนะเวลามีสิ่งใดๆเกิดขึ้นเรารับรู้ได้ไหมได้แน่นอนมีหัวเราก็รับรู้เสียงใช่ไหมละ่ะแต่ไม่ตามเสียงไป มีช่องทางใจมันก็มีความคิดใช่ไหมล่แต่ไม่ตามความคิดอื่นไปมีจมูกมันก็ได้กลิ่นใช่ไหมล่แต่ไม่คิดนึกปรุงแต่งตามกลิ่นไปเราให้อยู่กับอะไรอยู่กับพุทธโธความระลึกถึงพุทธโธได้นั้นนะ่ะความระลึกนั้นนะ่ะคือสติสติคือการระลึกได้สติก็เกิดขึ้นเราตั้งสติไว้อยู่กับพุทธโธ เราจะเอาสติตรงนี้สิ่งใดได้ผ่านมาพอเราไม่ตามไปสิ่งเหล่านั้นเหมือนก็ค่อยอ่อนกำลังลงอ่อนกำลังลงสิ่งอะไรที่เราตั้งสติตั้งจิตไว้สิ่งนั้นก็มีพลังมากขึ้นสติของเราก็มีกำลังมากขึ้นตามกระบวนการของพุทธานุสติเพราะว่าจิตของเรานี้มันประหลาดอยู่อย่างหนึ่งทุ่มฟังว่าถ้าเราตรึกไปทางไหนจิตเราก็จะน้อมไปทางนั้น จิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็มีพลังแต่พอเราไม่ตริตรตือไปทางไหนจิตเราก็ไม่น้อมไปทางนั้นจิตเราไม่น้อมไปทางไห น, นสิ่งนั้นก็อ่อนกาลังเราใช้หลักการนี้มาในการพิจารณาการกรวนน้อมจิตของเราไปจะทำยังไงให้เราคิดเรื่องนั้นอย่าไปคิดเรื่องนี้อบ่บอดีเราก็ต้องมีระบบมีซิสเต็มมีเครื่องมือ คเครื่องมือในที่นี้เราใช้พุทโธเป็นคเครื่องมือเป็นคเครื่องมือ ง, ง่ายๆ simple simple แค่นึกพุทโธเท่านั้นเองไม่ได้ว่าต้องใช้แอปไม่ได้ว่าต้องใช้เทคโนโลยีมาในการช่วยอะไรเอาเทคโนโลยีของจิตเรานี่แหละพอนึกพุทโธจิตน้อมไปทางนั้นพอน้มไปกันตรงกรารระลึกได้สติก็มีกํำลังตั้งสติของเราไว้ให้ดี อ้าวหลทงธัมโมฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทประเด็นบทบัญญัติบางอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านยกขึ้นจำแนกแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่าง พยายามพยายามทำให้เกิดความเข้าใจเพื่ออะไรเพื่อจะให้เข้าถึงธรรมะเพื่อจะให้พ้นทุกข์ได้หัวข้อเหล่านี้เราเรียกว่าแม่บทแม่บทเหล่านี้จะต้องไม่ขาดผู้ที่เป็นมูลรากให้เกิดการศึกษาต่อต่อไปถ้าขาดบุคคลผู้เป็นมูลรากให้เกิดการศึกษาต่อต่อไปแล้ว จะเป็นหนึ่งในเหตุปัจจัยที่ทำให้พระศาสนาไม่ตั้งอยู่ได้นานเพราะฉะนั้นการที่ท่านผู้ฟังมาศึกษาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทเหล่านี้เป็นเหตุเงื่อนไขปัจจัยอันหนึ่งที่ทำให้พระศาสนาตั้งอยู่ได้นานข้าพเจ้ามาบอกมาเล่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็ทำตัวให้เป็นมูลราก เอาคำสอนเหล่านี้เป็นมูลรากให้โนบูฟังได้ฟังแล้วเกิดสิ่งที่เป็นมูลรากเป็นเหตุสืบต่อๆไปไม่ใช่คิดว่าศาสนาอยู่ได้นานนะโนบูฟังอยู่นานแล้วจะมีประโยชน์อะไรถ้าอยู่เฉยๆใช่ะปะล่ะแต่อยู่ได้นานแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่ทั้งมนุษย์ด้วยทั้งเทวดาด้วยเพราะว่าวงในการเบียดเบียน มันลดลงวงจรการเบียดเบียนวงรอบการเบียดเบียนขนาดของวงที่มันเบียดเบียนไปมันลดลงเพราะว่าเวลาเราจะทําชั่วเออเราก็ายังนึกถึงหัวข้อแม่บทธรรมะต่างๆเหล่านี้ได้เป็นอาวุธที่ต่อสู้ในจิตใจเราอันนี้เป็นข้อดีตั้งบุฟังในการที่เรามาทําการศึกษาแล้วเพื่อไม่ให้ การศึกษาของเรานั้นเป็นอันตรายต่ อ, อการปฏิบัติเราก็จึงต้องมีการปฏิบัติแทรกลงไปด้วยในทุกวันพุนจึงเป็นช่วงของใต้ร่มพทุทธิบทที่ใช้มีการปฏิบัติกันสักครู่หนึ่งหานาทีสินาทีตอนต้นของรายการเป็นการฝึกจิตใจให้มีความสงบให้มีความพร้อมแล้วก็มาทําความเข้าใจในกระบว น, นการการทําความเข้าใจนี้ ต้องระวังอยู่เสมอท่านผู้ฟังพระท่านเปรยียบไว้ว่าการศึกษานั้นเป็นเหมือนกับการไปจับงูพิษต้องระวังคือจริงๆทำอะไรทุกอย่างมันต้องระวังหมดแม้แต่กินอาหารก็ต้องระวังใส่เสื้อผ้าก็ต้องระวังเดินทางก็ต้องระวังอ่านหนังสือก็ต้องระวังศึกษาธรรมะเราจะคิดว่าดียิ่งต้องระวัง เพราะว่าไม่ว่าอะไรก็ตามท่านผู้ฟังจิตใจของเรามันไปยึดถือได้หมดยึดถือในอะไรแล้วจิตใจเราจะพังไม่เป็นท่าความยึดถือจะไม่มีความทุกข์แม้แต่การยึดถือในสิ่งที่ดีๆความทุกข์ก็เกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นเรามาศึกษากันให้ดีๆให้มีความระมัดระวังด้วยตั้งสติสัมปชัญญทะทําจิตให้มีความส ง, งบ ศึกษาด้วยความระมัดระวังท่านผู้ฟังเหมือนการไปจับงูพิษแล้วมีเครื่องมือที่ถูกต้องมีวิธีการที่ถูกต้องเราจะได้ประโยชน์จากพิษหมูนั้นนั่นเองขวข้อที่ยกขึ้นในวันนี้ท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของอน า, นาค ต, ตภัยภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ทาเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราจะยังอยู่ผาสุขได้ไหมเอาแค่ตรงนี้ก่อนภัยในอนาคต ที่ทาเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราจะยังอยู่ผาสุกได้ไหมภายในอนาคตในถ้นฝังหมายถึงมันยังมาไม่ถึงทีนี้ถ้ามันมาถึงแล้วประเด็นคือเราจะอยู่ผาสุกได้ไหมมีอะไรบ้างเอาหัวข้อก่อนรับฟังมีอยู่สองในยะในยะแรกนี่แหละมันสำคัญคือเรื่องความแก่เท่าคือประการที่หนึประการที่สองคือเรื่องความเจ็บไข้ ประการที่3คือเรื่องการเกิดทุพพิภัยอาหารหายากประการที่4คือเรื่องเวลามีโจรภัยที่เกิดการปล้นสะดมหรือการประท้วงหรือจะจะขยายต่อไปกับเป็นสงครามนี่เราจะยิงอยู่พาสุขได้ไหมหรืออย่างที่5คือในข่าวที่สงแต่กันในลนักษณะข้อที่4นั่นคือเป็นสงครามในอาณาจักรแต่ข้อที่5เนี่ย คือสงครามในพุทธจักรระหว่างหมู่สงฆ์หมู่สงฆ์แต่กันแล้วเราจะยังอยู่่าสุกได้ไหมในทั้งห้าข้อนี้ประเด็นคือถ้าเกิดขึ้นแล้วเราจะอยู่ผาสุขได้ไหมคนส่วนใหญ่ทุกฝังจะบอกว่าเอ้ยอยากให้มันเกิดขึ้นเลยเจ็บไข้เนี่ไม่อยากเจ็บไข้เลยโอ้อาหารหายากนี่โอ๊ยไม่ไม่ให้มันเกิดแล้ว ก, กินดีอยู่ดีด้วยมันถึงจะดี เาจะเปไงอ่ะหาเงินหาทองเฮ้ยลรเจ็บไข้ละโอ้กินยาอาหารเสริมทำานผฟังเฮ้ยเดี๋ยวนี้มะเร็งอ่ะอาหารเสริมมันก็ไม่สนนะบางคนกินอาหารเสริมหายจากมะเร็งก็ไปเป็นโรคหัวใจบางทีเป็นโรคหัวใจออกกำลังกายก็มาเป็นเรื่องข้อเรื่องกระดูกบางคนกินอาหารเสริมเรื่องแคลเซียมเรื่องกระดูกก็ไปเป็นปัญหาเรื่องไต โอ้มันมันมันไม่จบอ่ะมันจับสลากเอาทุกวันนี้โรคภัยไข้เจ็บสุขภาพร่างกายประเด็นคือไม่ใช่ว่าไปขอว่าก็อย่าเจ็บไข้ได้ป่วยนะอย่าแก่นะอย่าเกิดสงครามนะข้าวปลาอาหารอย่าหายากนะเงินอย่าเฟ้อนะข้าวของก็ต้องใช้ต้องราคาไม่แพงนะทำมาหากินมันต้องคล่องนะอย่าไล่ฉันออกจากงานนะ ทุกอย่างต้องดีนะปูพรมแดงนะโอยด้วยกลีบกุหลาบนะทุกคนต้องพูดดีๆกับฉันนะลูกค้าอย่ามีปัญหานะหัวหน้าอย่างี่เง่านะเพื่อนร่วมงานอย่าแกล้งกันนะต้องช่วยกันนะดูมาฟังเอ้ยมันไม่เป็นหรอกคือมันจะเป็นยังไงมันก็เป็นของมันอย่างนั้นน่ะมันจะไปมันเป็นตามที่เราต้องการมันไม่เป็นหรอกมันก็เป็นตามที่มันต้องการนั่นแหละ มันไม่ได้เกี่ยวกับเราเอบางอย่างเราควบคุมได้บ้างก็ได้บ้างคุณจะยกจะย่อจะย่างจะเหยียดจะคิดจะเดินคุณทำได้อยู่ในตอนที่ร่างกายมันแข็งแรงนี่จังหวะที่ร่างกายพอมันไม่แข็งแรงแล้วจะก้าวไปทางหนึ่งร่วนววไปอีกทางหนึ่งพระเจ้าโกรพยานี่บอกไว้เออมือเท้าบางทีเรามันยังสั่งไม่ได้เลยคุณเป็นโรคปากิิสันนะ่ะ นิ่งๆ น, นิ่งแล้วนี่นิ่งแล้วนี่สันปับๆปๆอยู่เนี่ยมันนิ่งแล้วเนี่ยนะมันสั่งไม่ได้เอาลองแกล้งสันดูบางครั้งมันก็นิ่งให้บางอย่างมันสั่งไม่ได้มันอยากจะเป็นยังไงมันก็เป็นของมันประเด็นคือเราจะยังอยู่ผาสุกได้ไหมในกรณีนั้นๆแก่แล้ว แต่แก่ผมออกหนังเหี่ยวอย่างเดียวมันก็ยังพอทนบางคนทําใจได้โอ้ฉันจะต้องแบบว่ามันหนังเหี่ยวตัวตกกระฟันร่วงหลังค่อมแล้วก็เออยังพอทําใจได้บางคนทาใจไม่ได้นะอยู่ไม่ผ่าสูนยอะไม่ผ่าสูแล้วทําไงก็ไปดึงหน้าบ้างทําสัญญกรรมบ้างโอ้ยิ่งตกไกลยิ่งแบบเสียเงินทองมากน้ำช้ํายังไม่ได้เหมือนเดิมหรือติดโรคติดเชื่ออะไรมี เอาที่ทนกคนําใจได้ในเรื่องนี้อยู่ผาสุกได้ละจากคนที่อยู่ผาสุกไม่ได้พอแกเท่าอยู่ผาสุกได้แม้แต่แกเท่าแล้วอย่าเจ็บนะไม่เจ็บก็จะดีหรอกแต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่ได้จะตามเราบอกไงอยากเป็นก็เป็นขั้นหมดนะพอเป็นแล้วเป็นไงจะอยู่ผาสุกได้ไหมมีทุกขอบเวทนาจะอยู่ผาสุกได้ไหม คนเรานะท่านผู้ฟังที่มาฝึกนั่งสมาธิไม่ว่า จ, จะที่วัดปาด่าดอนไหนโศกที่วัดหรือสำนักไหนหรือไม่ได้ไปวัดไปสำนักก็ฉันนั่งทำของฉันอยู่ที่บ้านนี่ก็เวลาฝึกสมาธิมักจะหวังเราความสุขเออฉันต้องมีสุขเวชนาจิ่ฉันต้องนิ่งที่ฉันต้องเย็นต้องระ ง, งับต้องประนีตต้องไม่คิดอะไรเลยต้องแบบว่าโอ้โหเรียบราบรื่น ตัวฝังสิ่งภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตัณมันอยากจะเป็นยังไงมันก็ตามเงื่อนไขปัจจัยกองมันใช่ปะทำมารมเป็นอเยตนะภายนอกมันจะเป็นยังไงมันก็ตามเงื่อนไขปัจจัยของมันนั่นแหละความคิดบางทีมันก็มาถ้ามันมีเหตุที่มามันไม่ได้จะเป็นไปตามความอยากของเรานะแล้วยิ่งถ้าเราบอกว่าเอออยากจะทําให้จิตสงบโอ๊ยทำไมไม่สงบเลย บางทีนั่งเราก็ปวดขาปวดหลังปวดเอวนั่งเข้าอี้ก็ยังปวดก้นยืนก็ยังปวดขานอนก็ปวดหลังเดินก็ปวดเข่าเอ้าล้วเดินยืนนั่งนอนไม่ได้ในีสี่อย่างนี้เราจะทำอะไรกึ่งนั่งกึ่งนอนพอกึ่งนั่งกึ่งนอนก็ปวดทั้งหลังก็ปวดทั้งก้นเราจะทํำยังไงถ้าจะไม่เอาปวดมันไม่ได้ไงมันคือทุกขเวทนาประเด็นคือถ้ามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้ว คุณจะยังอยู่ผาสุขได้ไหมฟังเหมือนย้อนแยงนะ้าางอะไรต่ังเอาเราเจอทุกอยู่ต่อหน้าแล้วทำไมเราจะไม่ทุกหนี่ไงคือประเด็นเอาเรื่องสำคัญสำคัญก่อนนะวันนี้เรื่องรายละเอียดปลีกย่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเรื่องสำคัญสำคั ญ, ญยกขึ้นมาก่อนว่าถ้าเรามีทุกขเวทนาแล้วคุณจะยังอยู่ผาสุขได้ไหมถ้าคุณปวดแล้วแก่แล้ว ไม่ค่อยมีเงินด้วยแล้วก็ยังถูกกลั่นแกล้งอีกว่าจะหาที่พึ่งไปทางไหนก็ไม่ได้คุณจะยังอยู่ผาสุกได้ไหมผาสุกนี่คือผาสุกอะไรคือจิตใจมันยังอยู่ผาสุกได้ไหมอะไรที่เราจะต้องบรรลุอะไรที่เราจะต้องทำให้แจ้งอะไรที่เราจะต้องทำให้ถึงที่เมื่อมีทุกขเวทนาแล้วมีความแก่โรคภัยไข้เจ็บ หรือว่าการที่อาณาญาเป็นต้นแล้วจะยังอยู่ผาสุขได้อะไรที่เราต้องบรรลุทาให้แจ้งทาให้ถึงนี่คือคําถามที่เราต้องหาคําตอบท่านผู้ฟังอะไรอะไรวันนี้เราจะได้ฟังคําตอบในข้อนี้ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นท่านผู้ฟังเฮ้ยมันเป็นยังไงนะไอ้ที่ว่ายอยู่ได้ผาสุขแม้ในคราวที่มีทุกเขเวทนา อยู่กับทุกโดยไม่ทุกไงจะอยู่กับทุกยังไงโดยไม่ทุกลิ้นงูในปากงูไงงูเนี่ยมันมีปากใช่ไหมล่ะไม่งั้นมันจะกินอาหารยังไงใช่ไหมวิธีการกินอาหารของมันมันก็เอาพิษนี่แต่เป็นงูพิษมันก็เอาพิษของมันในย่อยอาหารของมันซะก่อนเอาแล้วในปากมันมีเขี้ยวมีพิษแล้วถ้าไมปากมันไม่เป็นไรหรือลิ้นที่มันอยู่ในปากมันก็ไม่เป็นไร ถ้าเรที่ในปากมันก็มีเขี้ยวสิงโตปากก็มีเขี้ยวในป่ามันก็มีลิ้นเอาแล้วทําไมปากมันข้างในลิ้นมันมันไม่โดนเขี้ยวมันบาดหรหรือมีดอะมีดน็บมันมีคมใช่ป่ะคุณเก็บเข้าฝักเอาแล้วฝักมีดมันไม่เป็นอันตรายหรือเวลาที่มีดมันเข้าไปถ้าเะาที่มีดเวลาไปฟันไม้ฟันคนเอาขาดได้กระจายได้เฮแล้ว มันอยู่ในฝักยังไงลิ้นงูอยู่ในปากงูยังไงลิ้นเสืออยู่ในปากเสือยังไงเหมือนกันนะทุกฝางว่าเราจะอยู่กับทุกขยังไงไม่เห้ทุกไล่ไปเลยทุกขเวทนาที่เกิดจากความแก่บ้างถูกคบร้อร่างกายไม่สวยเมือนเดิมทุกขเวทนาที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บบ้างปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้ ทุกขเวทนาที่เกิดจากอาหารหายากข้าวยากหมากแพงเงินเฟอ้อจำมาหากินขัดข้องมีทุกขเวทนาเกิดจากการที่ถูกกล่นสดมมีสงครามหรือว่าเกิดจากการที่ไม่มีที่พึ่งสงแต่กันมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วเราจะอยู่ผาสุขได้ไหมข้อนี้เราต้องคิดตอนนี้ให้คิด ตอนนี้อย่าพึ่งไปคิดเวลานั้นเอาใหมนะถ้าสมมุติว่าถึงเวลาที่เกิดโรคภัยแคเจ็บแล้วมีทุกขเวทนาที่ปรารบเหตุห้าประการนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะค่อยมาหาทางว่าเออเราจะจะอยู่ภาสุไงจะอยู่ยังไงจิตใจเนี่ยมันจะไปอีกแบบหนึ่งอีกลักษณะหนึ่งเพราะว่าพอทุกอยู่ตรงหน้าแล้วมันจะมีทางออกอยู่สองทางนะบ้างคือหนึ่ง กร่ำให้กล่ำกรวนทุบก อ, อกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงกล่งเพอว่าโอ้โหทุกนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ก็จะไปหาทางที่จะออกจากทุกนี้ในลักษณะที่จะให้ไม่ต้องแก่จะให้ไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยจะให้มีอาหารง่ายๆคุณํำยังไงก็ไปซื้อยาบ้างไอตรงจังหวะนี้ถูกคนหลอกได้บางทีก็ไปทำแบล็คมาเก็ตตลาดใต้ดินตลาดมืดเพื่อจะหาสินค้าที่มัน อยากได้มางทีก็ไปกโมอ้อยไปจะได้เงินมาในการที่จะให้มีอาหารมีสินค้าสิ่งใช้สอยต่างๆพอถูกบีบคันนะ้นณจุดนั้นเนี่ยมันออกไปทางนั้นได้นะนี่คือทางหนึ่งที่มันไปได้ซึ่งไม่ดีไงพอเราถูกบีบคั้นแล้วนี่คือร้อนใจแล้วนะตรงนั้นใช่ปะแล้วเราไม่มีทางออกอื่น บางทีเราอาจจะเลือกทางที่เป็นอภุสลธรรมคือมิจฉามากได้แต่เป็นอย่างังน้ยิ่งแก้ยากกว่าเดิมอีกทำผิดกฎหมายแล้วมันก็มีเงื่อนไขของทางราชการกฎหมายพอเบียดเบียนคนแล้วมันก็เป็นเรื่องการผูกเวรกันการแคนกันต้องโกรธเครืองกันโต้อตอบกันยิ่งแบบเป็นปมยุ่งขึ้นไปอีกอก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้เลย ว่าบางคนก็ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นแล้วอย่างตอนเนี้ยข้าวปลาอาหารข้าวยากหมากแพงขึ้นเหมือนเฟอ้อขึ้น เ, เราเริ่มเข้าสู่สถานการณ์ที่เป็นแบบนี้ละหรือในช่วงที่ผ่านมาเป็น COVID. โควิดโห้ยต่อไปโควิด2 4มันต้องมีอีกแน่นอนดูฟังอาจจะไม่ใช่เบอร์24อาจจะเป็นเบอร์27อาจจะไม่ใช่โควิดอาจจะเป็นฝีดาด ยังไม่ต้องพูดถึงอนาคตนะเอาตอนเนี้ยตอนเนี้ยถ้าเราอยู่หนะ้าตอนนี้แล้วทางออกที่สองคือไม่ใช่ว่ามันจะจมอยู่ในกลองทุกเท่านั้นถ้างออกที่สองนั้นก็คือเอ๊มีอยู่หรือไม่หนาใครหนอใครเนอที่จะรู้ทางออกของความทุกนี้สักหนึ่งหรือ2วิธีจะมีใครไหมจะมีใครไหมเอาใครคนนั้นก็คือพระพุทธเจ้าแหละท่านรู้แล้วทางออกนี้มันคือจะยังไง เราจะต้องทําอะไรเพื่อให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งเพื่อทําให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงจะถึงจะแจ้งจะบรรลุต้องมาตามทางไงทางนี้คืออะไรคือด่างมาะแปดถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอาหารหายากแล้วโรค่อยๆเจ็บแล้เป็นความแก่แล้วเป็นต้นมีทุกเวทนานแบบนั้นแล้วทางออกที่สอง คือมาตามทางที่จะให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ใครน่าจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้เห็นทุกข์เราเห็นธรรมะีนได้เวลาที่เราเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นปัจจุบันภัยที่เราเจอแล้วเราให้ออกมาตามทางมรรคแต่เราเจอแล้วอยู่นะตอนนี้นะจุดที่สําคัญในที่นี้ก็คือว่าอนาคตภัยวิธีการวิเคราะห์มันจะแตกต่างกันนิดหนึ่งแต่หลักการเดียวกัน แต่กระบวนการขั้นตอนเพิ่มเติมขึ้นมานิดหนึ่งถ้าปัจจุบันเรามีเรื่องให้ทุกข์ใจแล้วมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นในบางอย่างแล้วนึือยู่ร้อนใจแล้วตอนนี้ใช่ปะคุณร้อนใจแล้วคุณจะทําอะไรตัวอย่างที่ว่าว่าพอมีปัจจุบั น, นภัยแล้วร้อนใจแล้วมันก็จะจมอยู่ในความเร่าร้อนรุ่มร้อนนั้นนีกรทางที่หนึ่งซึ่งจะไหลไปตามมิจฉาทกได้หรือร้อนใจแล้ว มีปัจจุบันภัยแล้วเอางั้นจะมาหาทางออกจากทุกมาตามมักแบบอันนี้ก็ได้ดีเป็นทางออกที่ดีที่สองทีนี้ร้อนใจตอนนี้หมายถึงในปัจจุบันภัยที่เกิดขึ้นใช่ปะความร้อนใจเนี่ยถ้าเปรียบเทียบนะเขาย้อนหลังกลับไปถ้าไกลที่เจอปัจจุบันภัยห้าอย่างตอนนี้แล้วสมมติเราขึ้นไทม์แมชีนกลับไปกลับไปสักสิบปีที่แล้ว 10ปีที่แล้วตอนเหตุการณ์ทุกอย่างโอเคเรียบร้อยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอาหารหารง่ายเรายังไม่ค่อยแก่เท่าไหร่ทุกอย่างเรียบร้อยดีย้อนกลับไปใช่ปะถ้าเรายังไม่ร้อนใจว่าโอ้โส10ปีขา้างหน้ามันจะต้องเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยนะนั่นคือไม่ถูกไงท่านจึงให้ร้อนใจตอนนั้นเพื่อที่จะไม่ได้ต้องมาร้อนใจตอนนี้ ก็ตอนนั้นมันไม่มีปัญหาอะไรมันจะไปร้อนใจทำไมก็ตอนนั้นอาหารมันยังไม่ได้หายากยังไม่ได้แก่ปานนี้โรคภัยก็เจ็บฉันก็ยังไม่เป็นทุกอย่างก็อย่างงี้รือโอเคดีอยู่นะ้าจะต้องไปร้อนใจอะไรทุกอย่างก็สบายดีไงก็นี่ทานผ้ฟังนี้คือประเด็นว่าอนาคตไปให้ใครควรคิดถึงก่อนว่าเฮ้ยอนาคตนี่มันเป็นแน่นะสิปีที่แล้วนะ่านัง10ปีนะี่ไม่ได้นานนะ อย่างคนที่อายุส0 50 60หสหกสโอ้เจอกว่านั้นแล้วเนี่ยเรานึกย้อนหลัง10ปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าจัดรายการธรรมารับรุ่มานี่10ปีแล้วนะขึ้นปีที่13 10ปีที่แล้วจัดรายการ30นาทีธรรมบฟังได้ฟังมาตลอด10ปีเองนึกย้อนหลังดู10ปีที่แล้วเป็นยังไงเราไม่แก่ป่านนี้แน่นอนผมนี่ยยังไม่งอก พระมาหาไปบูนนี่ตอนนี้ผมหงอกแล้วหลังนี่ยังไม่ปวดไหล่ยังไม่ติดบางคนยิ่งกว่านั้นกระดูกยังไม่เสื่อมเบเรงยังไม่เป็นบาหวานยังตรวจไม่พบหัวใจยังดีอยู่ยังไม่ได้ผ่าตัดด้วยบางคนผ่านมาสิบปีทั้งผมหงอปวดหลังปวดเข่าปวดเอวผ่าตัดแล้ว เลือดก็ขึ้นค่าอะไรต่างๆโรคหัวใจก็เป็นเบาหวาน ย, ยังถามหาอีกเ อ, าอ้าสิปีนั้นนี่นะสิปีผ่านมาตอนนั้นเนี่ยยังไม่เป็นเนี่ยเกิดตอนนี้สมมุติว่าเป็นแล้วเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยเราร้อนใจไหมเราตระหนักถึงไหมว่าเฮ้ยตอนนี้มันจะเป็นอย่างงี้เว้ยถ้าเราไม่ตระหนักถึงแล้วเพิ่งจะมาตระหนักตอนนี้ใช่ปะตอนนี้มันจะหนัก มันจะแบบว่าวุ่นวายใจมากจะร้อนใจมากเอ่อมัถ้าเปิดตอนนั้นตระหนักถึงแล้วทําอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งร้อนใจตอนนั้นตอนก่อนหน้านี้นะ10ปีก่อนนี่ร้อนใจแล้วเฮ้ยฉันจนแบบว่ารักษาสุขภาพดีไหมยังไงเนี่ยพอร้อนใจแล้วเราจะมีทางออกสองทางเสมอตํารังอย่างตอนนี้ถ้าเราร้อนใจแล้วเราทุกข์ละเราก็จะแบบจมปลักอยู่ในกองทุกข์นั้นเราอาจจะทําไม่ดีไปทําไม่ถูกไป หรือเราก็าไปทำในสิ่งที่ถูกทางใช่ปะมีทางออกสองทางเสมอไม่ถูกก็ผิดอะถ้าทำทางผิดคุณถูกหลอกได้แกป้ปัญหาไม่ถูกจุดคือแกป้ปัญหาไม่เป็นอย่างที่บ้าแต่ถ้าทาทางถูกแกป้ปัญหาได้ยั่งยืนไม่ถูกหลอกประกอบด้วยปัญญาเอาย้อนกลับไปตอนนั้นดูย้อนกลับไปตอน10ปีที่แล้วที่เรายังไม่ได้มีปัญหาพวกนี้ตอนนั้นเนี่ยคุณจะทำอะไร ถ้าสมมตว่าเราเกิดความที่อึ้ขึ้นร้อนใจขึ้นที่คิดว่าฉันจะแบบต้องทําอะไรสักอย่างนะในการที่จะแก้ปัญหานเหล่านี้คุณทาอะไรมันก็จะมีทางไม่ถูกแล้วก็ทางถูกใช่ไหมละ่ะทางผิดนี่แบบว่าผิดเลยอะ่ะเป็นอกุศลและทำเลยเป็นจนต้องหาเงินมากๆฉันจะต้องโกงฉันจะต้องดา่าฉันจะต้องว่าฉันจะต้องใช้เครื่องมือมารันดีก็ไม่ดีใช่ไหมละ่ะร้อนใจตอนนั้นเลยไปทําไม่ดี มันก็ร้อนใจอยู่ดีเพราะด้วการทำไม่ดีนั้นมันจะไม่ได้จะระ ง, งับความร้อนใจได้เฮ๋ก <Hey, S 1> ็จะทำไงเอางั้นทำความดีซิคือบางคนคิดว่าการทำความดีนั้นคือการสร้างเหตุที่จะให้ไม่แก่สร้างเหตุที่จะให้ไม่เจ็บหรือสร้างเหตุในการที่จะมีค่ารักษาพยาบาลาต่างๆมันก็รีบหาเงินเลยทำงานให้มันหนักขึ้นปฏิวัติสิบปีข้างหน้าฉันป่วยฉันก็จะได้มีเงินรักษาหรือบางทีก็ไปกินอาหารเสริม บางทีก็ออกกำลังกายซึ่งการออกกำลังกายกินอาหารเสริมหรือทำงานให้หนักเพื่อหาเงินมากขึ้นโดยสุจริตก็ตามมันยังไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดไงไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องบรรลุไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องทำให้แจ้งไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องทำให้ถึงบรรลุให้แจ้งหรือทำให้ถึงบางคนจะคิดว่างั้นต้องมีเงินทองมากๆต้องมีสุขภาพดีต้องมีสิ่งนั้นต้องมีสิ่งนี้ คือสิ่งภายนอกมันไม่ใช่ไงท่านผู้ฟังคือแก้ปัญหายังไม่ถูกจุดคือแก้ปัญหายังไม่ถูกจุดอันนั้นก็แก้ได้อยู่แต่ไม่ยั่งยืนอย่างถ้าเรามีสุขภาพดีออกกําลังกายอย่างดีอัตราการเต้นของหัวใจดีโอกาสในการจะเกิดโรคหัวใจไม่มีคุณไม่กินอาหารหวานมากมีพฤติกรรมการกินที่ถูกต้องเหมาะสมเบาหวานมันไม่เป็นหรอกโรคภัยแข้เจ็บนิดน้อยลงแน่นอน 10ปีข้างหน้าถ้ากลับมาถึงปัจจุบันนี้แล้วมันจะไม่ได้หนักถึงปานนี้หรอกถ้า10ปีที่แล้วคุณออกกำลังกายมาดีแต่โรคบางอย่างมันก็ไม่ได้เป็นเงื่อนไขปัจจัยแบบนั้นโรคบางอย่างเกิดจากเชื้อโรคอย่างโควิดอย่างเงี้ยอะโควิดนะททบฟังนักกีฬามาราธอนนะัททบฟังตายได้นะคนอายุ 30-40 มีสุขภาพแข็งแรงไม่เคยป่วยไข้อะไรโดนโควิดแล้วเป็นยังไง โอ้ยกดหน้าเห็นใจเขาคือมันเป็นได้ไงมันไม่แน่ก็ถามว่าถ้าเคสแบบนี้เราจะแก้อะไรสิ่งอะไรที่เราต้องบรรลุสิ่งอะไรที่เราต้องทำให้แจ้งสิ่งอะไรที่เราต้องทาให้ถึงก่อนแล้วเลยบางแดดสิปีก่อนที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องร้อนใจตอนนี้ที่ได้ว่าตอนนี้เราจะอยู่ผาสุขได้ถ้าเราได้คิดเมื่อ1ิปีที่แล้ว สิปีที่ลถ้าเราร้อนใจแล้วทำอะไรบางอย่างให้แจ้งให้บรรลุให้ถึงเราจะอยู่ผาสุกได้ตอนนี้แม้กล่าวที่เกิดทุกเวทนาสินั้นคือปัญญาเ ง, งี้งทังปัญญาต้องเป็นอันดับสูงสุดคือมาตามทางมักแป้นี่แหละมาตามทางที่มีองค์ประกอบอันบร์เสิรดแบบอย่างจะมีปัญญาเป็นอันดับสูงสุด ถึงยอดคือปัญญาตรงนี้จะทำให้เราเป็นผู้ที่อยู่ผาสุขได้แม้ในคราวที่อาหารหายากเกิดโรคภัยไข้เจ็บแก่เท่าแล้วมีสงครามเกิดขึ้นหรือในคราวที่สงแต่กันต่อให้มีทุกเวชนาขนาดไหนด้วยปัญญาเราสามารถที่จะให้เกิดความผาสุขอยู่ได้เอาใหม่ทุามฝังเอาตอนนี้ อดีตมันย้อนไม่ได้ถามไมชีนเป็นเรื่องที่อยู่เฉพาะกับโดเลมอนไม่ได้อยู่ในชีวิตจริงต่อให้ขึ้นถามไมชีนไปมันก็เป็นคนละถามหลายเมันเป็นมัลติเวอร์สเอาไมา่ต้องฟังเอาจากนี้จากนี้ไปอีกสิบปีข้างหน้าเราอจะอยู่ถึงหรือจะอยู่ไม่ถึงไม่รู้ละแต่ถ้าสิปีข้างหน้าฝันรงก็ได้แน่นอนว่ามีโรคระบาดอื่นๆแน่นอน มันธงให้ได้แน่นอนว่าเราแก่ลงกว่าจากนี้แน่นอนไอ้จุดที่มันยังไม่ปวดมันก็จะปวดจุดที่มันปวดอยู่แล้วมันไม่จะดีขึ้นมันจะมีแต่นักหน้าขึ้นไปสรงทุกวันนี้เขาไม่ได้จะมีกระบวนการอะไรที่จะให้เกิดความสามัคคีกันเลยต่างคนก็ต่างทําต่างคนก็ต่างปฏิบัติถ้าเป็นอย่างนี้แล้วแน่นอนว่าอนาคตจะไปมาแน่มาแน่แน่ใช่ปะ ถ้าไปถึงอีก10ปีข้างหน้าแล้วเราจะต้องร้อนใจไปกว่านี้อีกเหรอว่าเราจะทำยังไงคือให้ร้อนใจตอนนี้แทนไงทุหวังร้อนใจตอนนี้แทนเพื่อที่จะไม่ได้ต้องไปร้อนใจในภายหลังนี่คือสิ่งที่พรนะพุทธาเตือนไว้ในทุฝังอย่าต้องเป็นผู้ที่ร้อนใจในภายหลังเลยถ้าไม่ร้อนใจในภายหลังแล้วตอนนี้ฉันจะทาอะไรทาอะไรเพื่อให้ที่ภายหลังนั้น ไม่ต้องร้อนใจใจุดที่ว่าเราจะทำอะไรตรงนี้แนะมันคือต้องร้อนใจตอนนี้คือรว sense of urgency คือแบบต้องทำอะไรตอนนี้คือเหมือนเร่งด่วนนะเส้นบราบายเหมือนกับเวลาที่ถูกไฟไหม้ผมถูกไฟไหม้เสื้อผ้าคนที่ไฟกำลังไหม้ศีรษะอยู่ไม่ผมอยู่เนี่ยนะแล้วก็ไฟกำลังไหม้เสื้อผ้าอยู่เนี่ยนะเขาจะต้องมีความเร่งด่วนมีความร้อนใจ มีความเร่งเรีบมีความขมักขมก้นมีความไม่ถอยหลังมีความว่าถ้าไม่สำเร็จนี้จะไม่เลิกในการที่จะดับไฟนันเสียคำว่าร้อนใจร้อนใจที่ข้าพเจ้าพูดนี่เป็นคำสั้นๆย่อยๆของความหมายคือต้องปรารบความเพียนจะต้องมีความขมักขม้นจะต้องมีความเอาใจใส่จะต้องมีความที่ไม่ถอยหลัง จะต้องมีความอุตสาหะต้องมีการที่ว่าจะต้องทําอะไรสักอย่างใดงหนึ่งเดี๋ยวนี้ตอนนี้ด้วยกําลังใจเต็มที่เพื่อที่จะให้สิ่งนั้นสําเร็จขึ้นมาได้เหมือนกับต้องดับไฟให้ได้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่อีกหนึ่งนาทีหานาทีอ่าเดี๋ยวข อ, อสั่งพิซซ่าก่อนโอ้เดี๋ยวตอนนี้ง่วงขอนอนก่อนหรือไม่ก็หวีผมให้มันเรียบเสนหน่อยก่อน ต้องแต่งตัวดีๆก่อ น, อนทำไปพวกนี้ก่อนแล้วค่อยจะมาดับไฟนี่คือ Priority คือลำดับความสำคัญของงานเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปแล้วแสดงว่าไม่ได้ร้อนใจละไม่ได้เห็นว่าจะต้องมีความเร่งรีบอะไรตรงไหนยังไงไม่ถูกไงไม่ถูกต้องร้อนใจตอนนี้หมายถึงประรบความเพียนตอนนี้มีความขมขืนตอนนี้ทำตอนนี้ทาเดี๋ยวนี้ทาที่นี่ทาอะไร ทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันจะต้องไปตามทางมรรคแปดให้เกิดปัญญาเกิดแล้วไงนะจะได้อยู่ผาสุขได้ในคราวนั้นที่จะถึงนั่นอีกสิปีข้างหน้านั้นจะให้อยู่ผาสุขได้แม้ทุกโควิดชนที่มันจะเกิดขึ้นนตอนนั้นอย่างคนที่บอว่ามีปัญหาเรื่องโควิดโออันนี้เป็นอุตสาห อ, อย่างดีเลย โอ้แต่เพราะก่อนหน้านั้นเราไม่ได้เตรียมอะไรเราไม่ได้เตรียมอะไรเราจึงมีปัญหาถ้างั้นตอนนี้คุณทําไงเตรียมดิเพราะอะไรนะเพราะข้างหน้ามันจะมาอีกแน่นอนไม่ใช่แค่นี้ด้วยนะแก่ด้วยตายด้วยทีนี้ตรงที่ว่าเตรียมเนี่ยเตรียมอะไรคุณก็จะคิดว่าเงินใช่ตรงเตรียมยาฝ้าทลายโจรไว้สักห้าสิตันโอ้ยไม่พอมันจะเก็บยังไงปลูกไว้สัก50ไร่ก็แล้วกันไปซื้อที่ดิน เก็บสะสมเงินทอก็นี่ไงคือแก้ปัญหาไม่ถูกจุดไอ้ตรงนั้นมันเราก็แก้ได้อยู่คือมันไม่ระยะยาวได้เป็นบางกลางบางกล่าวบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องโควิดอย่างเดียวเป็นเรื่องอื่นด้วย เ, เรื่องสงครามอีกเรื่องฝนฟ้าอากาศคือเราจะต้องทำมักแปดไงอย่าไปแก้ปัญหาที่ไม่ถูกวิธีแต่แก้ปัญหาให้ถูกวิธีแก้ปัญหาถุกวิธีพูดมาตั้งแต่ตอนเริารายการแล้วทั้งฟังคือให้เกิด ปัญญาปัญญาในการที่จะให้เห็นตามความเป็นจริงในสิ่งนั้นๆปัญญาในการที่จะไม่ให้สิ่งที่เป็นทุกข์นั้นมาติดอยู่กับจิตใจของเราเพราะว่าเวลาเราจะรู้สึกสุขหรือรู้สึกทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งได้ดัวางมันเป็นที่จิตที่จะเข้าไปสะบอยเวทนานั้นๆนั้นๆอันนี้คือขั้นตอนต่อไปแล้วนะ คือเรามาฟังทำความเข้าใจกระบวนการที่ว่าอยู่กับทุกหน่ดยไม่ให้ทุกเหมือนเล่นงูอยู่ในปากงูเหมือนลิ้นเสือไม่ให้ถูกเขียเเ้ยวลองดูนีฟันเราเองไม่ต้องเป็นเขี้ยวก็ได้วันไหนกินอาหารแบบไม่ระมัดระวังหน่อยโอกาสลิ้นตัวเองสัมฟังถ้าเสือมันกัดลิ้นมันเองมันไม่ขาดหรอเขี้ยวมันใหญ่ปา น, นั้นนะ่ะโอ้ยเรากัดลิ้นตัวเราเองเรายังเจ็บปา น, นีอ้อันตรายนะ ให้จะอยู่ยังไงไม่ให้มีปัญหาอยู่ยังไงให้มันอยู่ผาสุกได้แม้ในเวลาที่เกิดทุกขเวทนาแล้วนะสภาวะจิตแบบนี้ท่านผู้ฟังคือจิตที่ต้องมีปัญญาเอาจิตที่ไม่มีปัญญาก่อนจิตเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เข้าไปสวยอารมณ์ต่างๆมีลักษณะที่เป็นไปตามอารมณ์ต่างๆ เมื่อฟังที่ฟังรายการธรรมะรับบรุนอยู่เป็นประจำนั้นจะได้มีการฝึกจิตทําความเข้าใจในการตั้งสติอะไรพวกนี้อยู่ดีแล้วเราจะรู้ว่าจิตเนี่ยมันจะไปตามอารมณ์สุขบ้างทุกบ้างอันนี้เป็นธรรมดาของเขาไอ้ตรงนี้แหละที่หมายถึงจิตที่จะมีความสะดุ้มสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกพอสะดุ้มสะดือแล้วมันก็อยู่ไม่เป็นสุขไงจึงหรือว่าจิตเนี่ยมันไปทุกทุกตามสิ่งต่างๆที่มันยึดถือ ยึดถือสิ่งไหนมันก็ทุกไปตามสิ่งนั้นสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปยังไรมันก็จะรู้สึกทุกไปตามนั้นก็เรียกว่ามีการสะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือทนอยู่กับทุกท่านใจคำนี้ทนอยู่กับมันทนอยู่กับมันเราก็ต้องแบบว่าก็ทุกไปด้วยไงถูกลูกสองแทงอยู่ไม่พาสุขวิธีการที่พระพุทธเจ้าท่าให้ทาก็คือว่าจะทำยังไงไม่ให้มันทุก เงินก็จิตคุณอย่าไปสวยอารมณ์นั้นนั้นอย่าไปวุ่นวายแส่สายสะดุ้งสะดือไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ว่าจะไปบังคับไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นมันยังไงก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยของมันบางอย่างเราควบคุมได้หลายๆอย่างเราควบคุมไม่ได้เราควบคุมที่จิตใจของเราว่าจิตอย่าให้ไปสวยอารมณ์เหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์ หรื อ, อทุกขมัสุขก็ตามจิตจะไม่ไปสวยอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นได้เครื่องมือที่ท่านให้ไว้นั้นคือสติตั้งสติขึ้นพอเราตั้งสติขึ้นสมาธิก็จะตามมาพอเรามีสมาธิน้อมจิตมาในการพิจารณาด้วยอะไรด้วยปัญญาปัญญาไม่ได้จะเกิดขึ้นเองนะคุณต้องสร้างเหตุปัจจัยของปัญญานะ เหตุปัจจัยของปัญญาคือการได้ฟังธรรมะการได้มาโยนิโสมรสิการการนิมนกแรอิกรนธรรม้ดยจิตที่เป็นสมาธินะถ้าจิตไม่เป็นสมาธิปัญญามันจะเกิดไม่ได้ก็มีหลายเงื่อนไขปัจจัยสมาธิเป็นหนึ่งในนั้นพอเราสร้างเงื่อนไขปัจจัยให้เกิดปัญญาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นปัญญามันก็จะไปตัดตัดความยึดถือ ที่จิตของเรามันไปยึดถือกับสิ่งนั้นๆที่มันจะสะดุ้งสะดือนไปตามสิ่งนั้นๆเนี่ยพูดถึงอะไรขัน5้าเอาเฉพาะเจาะจงลงไปภายในนาคตกานนั่นแหละ5อย่างเอาเจาะจงลงไปความแก่ความเจ็บอาหารหายากคนทะเลาะการสงครามนั่นนี่สิ่งเหล่านี้คือขัน5จิตมันเป็นยึดถือในสิ่งนั้นพอสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงปุ๊บจิตมันจะหวันไวไปตามการเปลี่ยนแปลงทันที เ, เรา จุดที่มันเชื่อมกันตรงนี้ด้วยอะไรนะด้วยปัญญาพอเราตัดความยึดถือด้วยปัญญาสิ่งนั้นก็ยังเปลี่ยนแปลงไปตามเหมือนเดิมใช่ไ่ะมันจะสุกมันก็สุกมันจะทุกข์เหมือนกับทุกข์มีเหตุเชื้อโรคเกิดขึ้นมันก็เจ็บไข้มีเหตุสงครามเกิดขึ้นก็ทะเลาะกันรบ ก, กันเป็นตามเงื่อนไขของเขาไปมันคือโลกเป็นไปงี้แต่พราตัดสายเชื่อมโยงคืออุปาทานแล้วเนี่ยจิตเราจะ ไม่วันไหวไม่สะดุ้งสะเทือนเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นอยู่นิ่งๆได้อยู่ผาสุขได้พ้นจากกันได้นี่คืออยู่ผาสุขได้นะจากทุกเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นปรารมเหตุคืออาหารหายากบ้างแก่เท่าบ้างโรคภัยแค่ใจบ้างที่เราจะแยกจากกันได้ปัญญาและกำลังต้องมี ปัญญาต้องมีคนเรามักจะติดสุขรักสุ ข, สขเกลียดทุกตันว่ามนุษย์ทุกคนก็เป็นอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าตานเป็นโพธิสัตว์ก็เป็นอย่างเนี้ยชอบความสุขไม่ชอบความทุกข์ธรรมดาใช่ปะล่ะเราจึงต้องพิจารณาไงท่านฟังเราจึงต้องใช้ปัญญาไงท่านฟังว่าอ๋อบางทีสุขมันไม่ได้เกิดอย่างเดียวมีสุขระทุกมันก็ตา ม, มาด้วยให้เกิดปัญญาในข้อนี้เกิดปัญญาในข้อนี้ความเคยชินของเราจะเปลี่ยนแปลงไป ความเคยชินใหม่ท right> ี่ประกอบด้วยปัญญาจะมีขึ้นมาแทนความเคยชินที่ประกอบด้วยปัญญานั้นหมายถึงอาสวะมันลดไปความเคยชินก็คืออาสวะนั่นแหละความเคยชินที่เป็นปัญญาคืออาสวะเดิมๆมันหายไปไงอาสวะดเดิมที่เป็นความเคยชินจากที่กิเลสอบรมมาเออรักสุขเกลียดทุกมีความเคยชินใหม่ตามกระบวนการของมรรคแปดที่ประกอบด้วยปัญญาในความเคยชินเดิมที่ว่ารักสุขเกลียดทุก ถูกแสะถูกลอกถูกกำจัดออกไปความเคยชินใหม่ที่ประกอบด้วยปัญญาเหมือนสร้างสมสิ่งที่ดีเป็นบุญเป็นกุศลเป็นปัญญาเป็นความก้าวหน้าคนได้เคยฝึกทําจิตมาก่อนไม่ว่าจะในรูปแบบไหนก็ตามนะทุกฟังบางคนอาจจะไม่ได้เคยมาฝึกปฏิปธรรมอ่ะอต่ฉันก็ฝึกนั่งเองที่บ้านบางครั้งตอนเวลาเช้าให้จิตมาสงบนิ่งลงไปเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกถึงตัวตนอะไรเลยนะ ปวดอะไรไม่รู้สึกเสียงอะไรไม่ได้ยินมันนิ่งอยู่อย่างเดียวนึ่ก็สปาวัดหนึ่งใช่ไหมหรือบางคนมาฝึกปฏิบัติธรรมที่วัดหรือไปตามสำนักไหนก็แล้วแต่หนังสมาธิไป5้าวันเจวัน10บวันเห้มันจะมีบางครั้งบางกล่าวที่เรารู้สึกว่าเออมันก็ปวดอยู่ก็จริงอะแต่ว่าความปวดนั้นมันแยกกันออกไปกับจากจิตใจของเราจิตใจก็อยู่ส่วนหนึ่งอาการปวดก็อยู่ส่วนหนึ่ง เออบางทีมันไม่ได้รู้สึกบวดอะไรด้วยซ้ําจิตมันแยกออกไปเลยคือมันละเอียดลงไปอย่างนะถ้าเราจะเอาตามขั้นตอนของความดีที่ไล่จากที่บ่ไม่มีก่อนน่ยคือไปทําชั่วเราจะหาความสุขใช่ไหมไม่เอาเอาเรามาทําดีหาความสุขทำดีในที่นี้คือทำมาหากินเขียนขันแข็ ง, ขงรู้จักแบ่งใจทราบอันนี้ก็ทางภายนอกก็ดีขึ้นมาอีกดีขึ้นไปอีกคือทางภายในเออทำจิตเท็จแบบว่า ให้แยกออกจากกันพอแยกออกจากกันจากกายกายมันจะทุกข์ยังไงเราไม่ได้ทุกข์ด้วย ล, วละละเอยียดลงไปอีกเพื่ออายตนะต่างๆที่จะไปรับรู้ทางกายดับไปเลยจิตนิ่งิ่งนิ่งลงไปีก็ได้ดีขึ้นบีดีขึ้นไปเป็นขั้นเป็นกั้นนะไอจุดนี้ไหนที่ว่าเราจะทาได้ตลอดเวลาไหมจะทําได้อยู่เรื่อยไหม หรือมันฟลุกๆเกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นกล่าวบางคราวโอ้ยปีหนึ่งอาจจะได้สักสองครั้งครั้งเดียวไม่ถึงบางทีห้หกปีได้ครั้งเดียวว่าบางคนเจปปีมาแล้วไม่ได้เคยทําได้แบบนั้นอีกเลยอันนี้เ่ยต้องฝึกให้ได้บ่อยๆในการที่ว่าเราจะทาจิตให้แยกจากกายของเราแยกกันได้ด้วยปัญญานะกายกับใจเนี่ยมันผูกติดกัน รูปกับนามมันเชื่อมต่อกันด้วยระบบของกรรมมาแล้วกายของเราในกระใจของเราเนี่นะทุกคนนี่มีกายแล้วก็มีใจคนนอนจะมีแต่กายไม่มีใจไม่ใช่นันก็จะเป็นแบบว่าเหมือนคนที่ป่วยแล้วก็เป็นนอนเป็นผักอยู่โรงพยาบาลนี่นี่มีแต่กายไม่มีการตอบสนองแต่ว่าคนเราก็มีการตอบสนองบางคนเอาจจะบอกว่าไอ้คนเนี้ยเป็นคนไร้หัวใจไม่มีความรู้สึกเห็นใจคนอื่น เขายมีาการตอบสนองการดับสนองก็ง เ, เป็นแบบนี้เป็นโมหะของเขาก็ยังมีใจอ่ะคนเราทุกคนมีกายทุกคนมีใจเชื่อมกันด้วยระบบของกรรมอุปนิสัยเป็นมาอย่างงี้อสุวัตเป็นมาอย่างนี้เขาก็เป็นไปอย่างงี้พอกายหรือใจได้รับเรื่องอะไรอันหนึ่งมันก็เปลี่ยนแปลงสะดุงสะเทือนไปตามด้วยเหมือนเป็นระเบิดเวลาภายในอนาคตเนี่ยมาแน่มีอยู่แล้วมันเชื่อมอยู่ตอนเนี้ย ระเบิดเนี่ยมันมีอยู่ชนวนจุดมาถึงเมื่อไหรมันบื้มเลยความทุกข์เกิดแน่นอนทุกอยู่ตรงหน้าตอนนี้แล้วระเบิดอยู่ต่อนหน้าแล้วคุณจะปลดชนวนตอนนี้ได้ไหมถ้ามันมาจ่อๆเนี่ยมันเครียดนะอย่างดูหนังดูละครเขาเป็นหนังสายรับจะไปปลดชนวนระเบิดนี่โอ้ยทาไมบอกชิวเฉียดมากๆเมืองดี ปฏิบัติการนั้นไม่สาเร็จหรือถ้าสาเร็จมันก็โอ้ยเสี่ยงมากเลยโอ้เสี่ยงเสียงเสีย ง, ยงอันตรายสู้ทำแต่เนิ่นๆนดีกว่าทำแต่เนิ่นๆคือปฏิบัติการตอนนี้ร้อนใจตอนนี้รีบด่วนตอนนี้ริง่งรีบมีความเพียรตอนนี้เพื่อที่ว่าถ้าคราวหน้าต่อไปจะได้ไม่ร้อนใจมากไปกว่านี้จะต้องไม่ร้อนใจในภายหลัง ตอนนี้ต้องมีอะไรต้องมีปัญญามีการปฏิบัติตามมรรคแปให้เกิดปัญญาแล้วละความยึดถือในสิ่งต่างๆที่จะทำให้เราสะดุ้งสะเตือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของเขาต่อให้เขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรด้วยปัญญาจะทำให้เราอยู่ผาสุขได้แม้ในคราวที่เกิดสงครามอาหารหายากไม่ได้อาหารจะเพิ่มนะอาหารก็มีน้อ ย, น, อยน้อยนั่นแหละ คนก็แบบแห่กันไปรวมกันในที่ไหนมีปัญหาเรื่องคนอีกเราก็ยังจะอยู่ผ่าสุได้ไม่เฉพาคนมันจะไม่มาแย่งกันกินนะเวลามีสงครามในหนุนฟังแย่งกันกินแย่งกันใช้มือดีไม่ได้ช่วยเหลือกันแต่พอเรามีปัญญาแล้วไม่ใช่ว่าเราจะเไม่ต้องแย่งกับเขากินเราจะมีใช้มากๆก็ไม่ใช่นะมันก็ยังเป็นสถานการณ์แบบเดิมของมันอย่างนั้นแหละโควิดไม่ใช่ว่าจะไม่มีมันก็มีของมันเหมือนเดิมมาแหละ แต่ว่าเราอยู่กับมันได้อยู่โดยไม่ทุกข์ไงอย่างทุกวันนี้เราไปแค่เจ็บเช่นโควิดนี่เราอยู่กับเขาได้ด้วยอะไรเอาคุมีวัคซีนคุณมีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องนั่นคือด้วยการโยนวิสเมนัิการนั่นคือด้วยข้อปฏิบัติต่างๆเช่นเดียวกันน่ะจะมีทุกข์เกิดขึ้นในอนาคตที่มันจะมากไปกว่านี้ด้วยข้อปฏิบัติตอะไรที่เราต้องมีตอนนี้ที่เมื่อสิ่งนั้นมาถึงแล้ว เราจะอยู่ผาสุขได้แม้สิ่งนั้นมันจะไม่ได้ดีขึ้นอาหารก็ยังหายากอยู่โรคภัยเจ็บก็ยังมีอยู่แต่อยู่ผาสุขในจิตใ จ, ใจได้นี่คือคีย์วิตที่สำคัญนำวังจิตเราต้องสามารถแยกกายแยกจิตออกจากกันได้แยกกายแยกจิตได้ด้วยปัญญาโดยมีศีลสมาธิมาเป็นพื้นฐานนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องบรรลุ สิ่งที่เราต้องทําให้ถึงสิ่งที่เราต้องทําให้แจ้งปรารบความเปลี่ยนต่อ น, นี้แล้วรูปแบบในการฝึกจิตบาคนอาจจะคิดว่าเอองั้นฉันก็ต้องมาฝึกที่วัดบ้างหรือไปตามสํานักปฏิบัติธรรมบ้างหรือต้องมีการฝึกที่เป็นรูปแบบอย่างไรอย่างไรคือได้ทุกรูปแบบนะจะรูปแบบการทําอยู่บ้านช้นฟังเทศเฉยๆหรือว่าจะมาที่วัดจะมาเป็นสํานักหรืออะไรก็ตามได้หมดคุณฟัง ที่นี้สำหรับคนที่ยังไม่เคยชินไม่ค่อยแบบมีระเบียบวินยัยมันก็ต้องมาฝึกระเบียบวินยัยมาฝึกความเคยชินใหม่ที่จะเป็นทางให้เราปฏิบัติทำไปได้การมาฝึกใหม่ตรงนี้เหมือนกับมาเข้าค่ายมาเหมือนทหารเข้าก่อนจะไปออกรบก็ต้องฝึกระเบียบวินยัยฝึกการใช้อาวุธฝึกการดูลำดับขั้นการทำอะไรให้ถูกต้องเออเนี่ยถึงจะไปได้ กรฝึกตรงนี้ต้องอาศัยความเพียนความเพลี่ยนตรงนี้บางทีเราต้องมีกัลยาณมิตรคือบุคคลที่จะให้เกิดกัลยาณธรรมคือธรรมะมีความดีงามในจิตใ จ, จเราได้บางทีก็ต้องมีครูบาอาจารย์มีเพื่อนแนะนำมีคนบอกสอนพร่มสอนเราจึงสามารถที่จะยู่พาสุขได้อ่ที่นี่ทุกฝั่งประการที่4นี่คือประการแรกว่ามาแล้วนะเรื่องของ อดีตอนาคตปัจจุบันเทีย บ, บเคียงปัจจุบันไปอดีตเทีย บ, บเคียงปัจจุบันไปอนาคตแล้วก็มาประการที่2คือเรื่องความร้อนใจ s ส n นสับเบอร์จอเราต้องปรารลบความเพียนตอนนี้เพื่อทีจะไม่ได้ต้องร้อนใจในภายหลังแล้วก็ประการที่3ที่พูดถึงจบไปเมื่อสักครู่คือเรื่องของสภาวะจิต ที่ว่าเราต้องมีปัญญาให้เกิดการแยกจิตแยากกายออกจากกันต้องบรรลุทำให้แจ้งทำให้ถึงในเรื่องศีลสมาธิปัญญาที่มีความเคยชินใหม่แล้วเราจะสามารถอยู่กับทุกข์ได้อย่างไม่ทุกข์มีทุกขเวทนาอยู่ก็ผาสุขได้ถัดมาประการที่สี่ธรรังเรามาถึงตัวแม่บทซึ่งประสูตรนี้อยู่ในอังกุตรนิกายเป็นประสูตรที่ต่อเนื่องกัน เรื่องของอนาคตภัยอยู่ในหมด5าข้าพเจ้าก็เคยมาพูดคุยกับคุณเดินใจในคราวนี้อธิบายให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปโดยเจาะลงไปเรื่องของอดีตอนาคต3ประการที่สำคัญสำคัญว่าไปแล้วต่อมากลับมาที่ตัวแม่บทคือหัวข้อในคำภีของกุติราณิกายของเรานี้สิ่งที่จะน่าสนใจเพิ่มเติมที่จะมีอยู่ในทุกข้อเลย นั่การทำในใจถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายการทำในใจถึงคำสอนนั้นคือคำสอนของพระพุทธเจ้าการที่จะทำได้สะดวกหรือไม่สะดวก <c oughs> ก็มันก็อยู่ที่ว่ามีสุขหรือมีทุกข์ไหมถ้ามีสุขอยู่มันก็ทำได้สะดวกถ้ามีทุกข์มันก็ทำได้ยากหน่อยทุกข์เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ตนได้ยากยานะคุณฟังทุกข์ในเวลาเรามีแล้วเนี่ยนะมันจะทำนั่นทำนี่มันจะยากไปหมดมันจะติดกัดไปหมด เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วการที่จะมาทําในใจเรื่องสีนสมาธิปัญญามันจึงก่อนข้างยากเพราะฉะนั้นตอนที่เรามีสุขอยู่เราทําได้ง่ายให้ตรงจุดที่ทําได้ง่ายให้รีบทำนี่คือประเด็นในทั้ง5ข้อประการแรกคือเรื่องของความแก่เท่าถ้าตอนปัจจุบันนี้ยังไม่แก่เท่าเท่าไหร่บางคนหกสิบป่ะนะบางคนเจ็แล้วใช่ปะ อีกสปีข้างหน้าคุณ80คุณเก้านะจะแก่ไปกว่านี้โอ๊ยตอนนี้ยังแก่ไม่บ่อยก็แก่พอแรงแล้วข้างหน้ายิ่งแก่ลงไปอีกเอา้ามันยิ่งจะยากไงยิ่งจะทําได้ยากเพราะว่ามันมีทุกข์มากกว่ามีสุขเพราะฉะนั้นรีบทําตอนนี้ไงพื่ที่ว่าถ้าเราทําตอนนี้เราได้อะไรซึ่งอย่างหนึ่งในที่นี้คือปัญญาพอถึงตอนนั้นเราจะอยู่ผาสุขได้ เราบทเรียนในอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในข้อที่ว่าการมีอาหารหายากหรือหาง่ายมีประเด็นเพิ่มเติมขึ้นมาอีกอันหนึ่งคือการที่ว่าคนจะไปแออัดยัดเยียดปะปนกันในเรื่องอาหารกับเรื่องเวลาทมีสงครามที่ไหนหาง่ายอาหารที่ไหนไม่มีสงครามไม่มีการสู้รบคนก็จะแห่กันไปที่นั้น พอแห่กัไปที่นั้นการคลุกคลีอยู่ปะปนกันก็จะเกิดขึ้นพอมีการคลุกคลีอยู่ปะปนกันแล้วการทำในใจซึ่งคาสอนมันจะยากต่อให้บพราว่ายังไม่ได้แก่เท่ายังไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บนะแต่ถ้าแออัดปะปนกันยัดเยียดกันมันจะทำไนใจก็ยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนเราที่ว่าถ้ารักสุขเกลียดทุกทุกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้จากการที่ว่า อยู่ยัดเยียดอัดแน่นปะปนกันหรือมีโรคภัยไข้เจ็บได้ส่วนในประการที่5ที่พูดถึงการที่สงแตกกันสงแตกกันจะทำให้เกิดความสับสนทุกฝั ง, งทุกวันนี้แตกกันแล้วประเทศไทยทั้งทั่วโลกเนี่ยแหละดูจะมีนิกายมหายานนิกายวชิระยาณ น, นิกายเทรว า, าทพวกมหายาณก็เรียกเทราาทวาฏวาหินญาณ ผมคิด ว, ว่าพวกนี้เห็นแก่ตัวพวกนี้เป็นคนต่ําส่วนที่เป็นเทราวาสก็ยังแบ่งบีในประเทศไทยเป็นธรรมยุทธ์เป็นมหานิการข้อปฏิบัติก็มีความแตกต่างกันเอากลุ่มนี้ทําไมฉันเพนกลุ่มนี้ไม่ฉันเพนสีผ้าก็ไม่เหมือนกันอีกเอ๊ะเราจะยังไงเนี่ยมันเพราะมันมีความไม่เหมือนกันแตกต่างกันใช่ป่ะคนก็สับสนเรื่องคําสอนออกทําไมอาจารย์ตรงนี้พูดอย่างนี้ เอาใจตรงนี้พูดอีกอย่างหนึ่งอาแล้วมันจะไปยังไงเนี่ยพอสับสนในเรื่องคําสอนแล้วมันก็ทําให้ถูกพอทําให้ถูกแล้วจะมาทําในใจซึ่งคําสอนของพระบุตรจักก็ทำได้ยากเพราะฉะนั้นประการที่3ในทั้ง5้าข้อนี้ก็คือการที่ว่าเกิดการสับสนด้วยหนึ่งนะรักสุขเกลียดทุกใช่ปะจะทำให้ทาในใจซึ่งคําสอนยาก2การที่อยู่อัดแน่นปรับพลนกันก็ทาในใจซึ่งคําสอนยากและสคือการที่ สงแต่กันทําให้คําสอนนี่มันแบบไม่ค่อยเข้าใจไม่ชัดเจนก็ทําตามคําสอนอยากเอาตอนนี้ดูฟังตอนนี้ที่ว่าแตกกันแต่กันแล้วยังมีพอส่วนที่เหลือพอใช้งานได้ไหมอย่างแก้วใบหนึ่งถ้ามันแตกแล้วเลยเนี่ยคือถ้ามันยังแตกไม่ละเอียดเลยมันยังบางชิ้นมันใหญ่หญมันยังเอาพอมากวักน้ําหรือใช้ประโยชน์อะไรได้ยังพอซ่อมได้ไหมทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่ายังพอซ่อมได้ ยิงพมีส่วนที่ใช้งานได้เอาส่วนนั้นมามาทำการก็ได้ให้คุณพิจารณาให้เกิดศีลสมาธิปัญญาเราจะอยู่ผาสูกด้านหนึง่งทุงฝังอันนี้ฝากไว้4ประเด็นในเรื่องของภัยในอนาคต5ประการในช่วงของใต้ร่มโพธิบทเป็นหัวข้อแม่บทที่เดินบัญญัติเอาไว้เรามาศึกษาเราจะเกิดปัญญาในการรู้แจ้งแยากกายแยากใจของเราให้อยู่ผาสุด้านหนเอง สำหังสามารถติดตามรับฟังช่วงของใต้ร่มพุทธิบ ด, ด้ในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตี5้ถึง6โมงเช้าหรือตามเวลาของเครือข่ายในกรุมประชาสมัมพันธ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบดแคสต์หรือว่าทาง YouTube Channel Facebook Fanpage ได้หรือที่เว็บไซต์กระจายตำมังที่เว็บไซต์ของมูนธปัญญาเปาาที่ปัญญา org panya.org รายการนี้จัดโดยมูลนิธิปัญญาเปานาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมาหาไพบุญอาพี่ปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุลปก่อน